66. การภาวนามีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมวงเล็บเปิด 12. กรกฎาคม2551เในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเราก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละในเวลาที่ภาวนายังล้มลุกคลุกคลานอยู่ช่วงไหนสติเราดีจิตตั้งมัน่นมีสัมมาสมาธิช่วงไหนปัญญาเกิดจิตใจก็องอาจกล้าหาญหน่อยบางช่วงมันก็เหี่ยวเหีวเฉาเไปเป็นเดือนเดือน เป็นทุกคนไม่ใช่เป็นคนเดียวโดยเฉพาะพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นทุกคนหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาอย่างนี้อาจารย์มหาบัวยังเคยพูดเลยบอกว่าบางวันเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวนะอีกวันหนึ่งมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันภาวนาไม่เป็นแล้วทําอะไรไม่ถูกแล้วสับสนไปหมดเลยเหมือนคนทําไม่เป็นเลยภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเจริญอย่าประมาทเสื่อมได้อย่างบางคนมาถามหลวงพ่อว่าผมตื่นหรือยังตื่นแล้วเมื่อก่อนจะบอกว่าตื่นแล้วเดี๋ยวนี้บอกตื่นแล้วแต่มันหลับได้นะต้องต่อให้หน่อยหนึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลับไปแล้วตกใจมันตื่นได้มันก็หลับได้มันของไม่เที่ยงมันยังเป็นโลกิยธรรมอยู่มันยังไม่ใช่โลกุตระมันเสื่อมฉะนั้นเวลาที่มันเจริญอย่าหลงลำพองไม่นานก็เสื่อม เวลาที่มันเสื่อมอย่าตกใจความเสื่อมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละขอให้มีสติเท่านั้นแหละแต่ถ้าพอมันเสื่อมไปเราทุรนทุรายยกตัวอย่างชมพูชมพูภาวนาดีหลวงพ่อก็ชมไปวัดโน้นท่านก็ชมวัดโน้นวัดไหนไม่รู้นะเอาว่าวัดโ น, น้นๆ้นก็แล้วกันอยู่ไกลหน่อยคนละฝั่งทะเลพอท่านชมโอ้คนโน้นก็ชมคนนี้ก็ชมพองเลยต้องรักษาแชมป ต้องให้ดีทุกวันคราวนี้เหนื่อยเลยพอเหี่ยวลงไปทนไม่ได้รับไม่ได้ต้องพยายามใหญ่ทุ่มเทใหญ่เสียเวลาสองเดือนเสื่อมไปสองเดือนจนวันหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเฮมันทำไม่ได้แล้วยอมเออมันเสื่อมนะพอใจมันยอมรับความจริงว่ามันเสื่อมมันก็กลับดีขึ้นมาเลยฉะนั้นเวลาเจริญก็อย่าลำพองเวลาเสื่อมก็อย่าเสียอกเสียใจให้รู้ไปทุกอย่างมันของไม่เที่ยง ฉะนั้นชาวไฟฟ้าหรือชาวไม่ไฟฟ้าก็ตามคอยรู้สึกเอาไว้รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจะได้ลิ้มรสชาติของธรรมะอร่อยที่สุดเลยนะรสอะไรก็ไม่อร่อยเหมือนรสธรรมะรสอย่างอื่นสักพักหนึ่งก็จืดจืดชืดชืดอย่างมีแฟนใช่ไหมจีบสาวมาได้คนหนึ่งอิ่มอกอิ่มใจมันจะอิ่มได้สักกี่วันใช่ไหมหรือมีเมียคนหนึ่งอิ่มอกอิ่มใจไม่กี่วันเดี๋ยวก็เบื่อแล้วหรือผู้หญิงก็เหมือนกันนะ มีแฟนขึ้นมานานๆไปก็ดูผู้ชายมันก็โ ส, สมนะมันก็เบื่อเหมือนกันยิ่งช่วงไหนมันบ้าดูบอล น, นะดูไม่ได้เลยทุเรศหน้าตาเหมือนผีกระสือฉะนั้นในโลกนี้ความสุขของโลกนี้หลอกๆแวบๆบแบบเท่านั้นแหละรสชาติของธรรมะถ้าเข้าถึงจิตถึงใจแล้วมีความสุขทุกวันเลยอยู่ไปจนแก่ยังมีความสุขเลยคนทั่วๆไปยิ่งแก่ยิ่งแย่นี่เป็นกฎของธรรมชาติเลย ธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำฉะนั้นอยู่ไปนานๆไม่สูงขึ้นนะถ้าไม่ฝึกตัวเองก็ลงต่ำไปเรื่อยๆสังเกตไหมคนแ ก, แก่แล้วบางทีไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจนะขี้โมโหหงุดหงิดใจน้อยขี้บน่นนี่เพราะว่าใจมันคุ้นเคยกับอารมณ์ที่ไม่ดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคยฝึกจิตฝึกใจนะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานแก่เท่าไรก็มีความสุข